เฉลิมลองตอนรับปีใหม่ก็ยุติลงเสียงเพลงเสียงร้องอยู่เสียงชายโหโฮยิ้วนะมันก็สงบลงอันนี้เราว่างานเลี้ยงนะย่อมมีวันเลิกรางานจะใหญ่โตสนุกสนานคึกคักหรือคึกโครมนะเพียงใดนะในที่สุดมันก็จบลงบรรยากาศนะ ก็จะคืนสู่ความปกติสาหรับบางคนนะจะรู้สึกว่ามันเงียบนงาด้วยซ้ำใครที่ไปฉลองปีใหม่บนเขาลูกกระดึงหรือว่าภูฟ้าหรือว่าภูสูงแค่ไหนเนี่ยในสุดก็ต้องลง ก, กลับมาสู่พื้นดินนะกลับคืนสู่บ้านเรียก ว, ว่าสูงสุดนะคืนสู่สา ม, มัน ที่ไปสถานที่ที่มันสวยพิเศษต า, ตากตาในสุดก็ต้องกลับคืนสู่ความธรรมดาสถานที่ที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันจำเจไปได้ซ้ำทจริงเนี่ยความธรรมดาสา ม, มัญหรือว่าสิ่งที่เป็นปกติ มันก็มีสเสน่ห์ของมันนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องจำเจหรือว่าจืดชื่ดจําได้ว่าตอนที่ยังไม่ได้บวชแล้วใกล้จะบวชเนี่ยวันสิ้นปีนะก็ตั้งใจว่าจะจะเที่ยวนะต้อนรับปีใหม่ที่พิเศษกว่าปีก่อนๆเพราะว่า หลังจากปีใหม่ไม่นานนะ้วก็จะต้องบวชแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะมีความสุขกับการบวชหรือเปล่านะเพราะว่าตั้งใจว่าจะจะใช้เวลานะในช่วงสามเดือนที่ตั้งใจเนี่ยสำหรับการภาวานานอย่างเต็มที่ก็รู้นะว่าภาวานานี่มันดีแล้วก็ อาจจะเป็นความจำเป็นของชีวิตตอนนั้นเพราะมันเรียกว่าเครียดนะเสียสูรมากาพยายามผ่อนคลายด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่ค่อยได้ผลหรือว่าได้ผลชั่วคราวเชนะ่นไปดูหนังดูหนังก็ก็มีความสุขในตอนที่ดูแต่พอออกมาจากโรงนะก็กลับคืนสู่ความสุขเดิมๆนะเครียด ตื่นนรั่วก็เลยคิดว่านะมนเลอะเลิดจากการภาวนาที่ยังไม่ทําจริงจังและในเป็นทางออกได้ก็เลยคิดจะบวชแต่บวชล้วก็ยังไม่ได้ใจว่าเราจะสามารถอยู่กับการภาวนาได้ตลอดหรือไม่ในอาเภทบันปชิดนะก็รู้สึกเป็นเรื่องที่น่ายุตตกน่ากังวล อันนี้นเป็นเหตุผลที่ว่าพอถึงวันสิ้นปีก็อยากจ ะ, จะเรียกว่าทิ้งทวนก็ได้นะเที่ยวให้สนุกก่อนที่จะไปเจอความจืดชืดในเพศพระที่จริงเนี่ยก่อนหน้านั้นนะก็เคยสงสัยนะว่าถ้าคนที่บวชพระแล้วเนี่ยนะยางมีเพื่อน หลายบางคนก็บวชพระบวชบางคนก็บวชอยู่หลายปีอย่างเช่นพระประชาก็เคยสงสัยว่าเนี่ยพอถึงวันปีใหม่นะคนหนึ่งก็ไปเที่ยวกันนะแต่ตัวเองไม่ต้องอยู่วัดนะมันคงจะจืดชืด น, น่าเบื่อนะปีใหม่นี่ใครๆก็เฉลิมฉลองกัน มันคงจะรู้สึกว่าถ้าไม่ได้เฉลิมฉลองคนอื่นนี่มันก็เป็นการเสียโอกาสมากยิ่งต้องมาอยู่วัดมันเรียกว่าคงจะจาเจเจิดชืดอันนี้ก็เป็นความคิดที่มีมาโดยตลอดนะจนกทั้งก่อนจะไว้เน้่พอถึงวันสิ้นปีปิดยาวเลยแล้วก็ หมายมันปั้นมือว่าอยากจะไปเที่ยวทะเลตอนนั้นเพื่อนที่อยู่ทางใต้นะเาแนะนำว่าไปพีพีสิตอนนั้นพีพีนี่ยังยังไม่เคยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่นะรู้จักแต่เฉพาะในงในแวดวงนักเที่ยวท่องธรรมชาติเพราะมันไม่มีรีสอร์ทหรือไม่มีอะไรที่จ ะ, ะทำให้สะดวกสบายเท่าไหร่เขาก็แนะนำว่ามี รุ่นพี่แล้วเป็นเพื่อนในวยว่คนหนึ่งอยู่ที่กระบี่อ่าคนนี้ก็ชอบเที่ยวธรรมชาติเหมือนกันมีเรือมีเรือที่จะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปพีพีก็เรียกว่าเออฟังเรื่องราวกิตติศัพท์แล้วก็สูขขอ่ออเดียวกันนะคนนี้ น, นายอุกฤษรุ่นพี่ ม, มากเป็นคนแต่งเพลงลกสีเหลืองไม่รู้จักแต่ว่าคิดว่าถ้า อ้างชื่อเพื่อนคนนี้เนี่ยก็คงจะสมปราถนาไปถึงกระ บ, บีแล้วเนี่ยก็ตอนนั้นจำได้วันที่ยี่สิบหกธันวาคมยี่สิธันวาคมนี้ก็เป็นวันเกิดสึนามินะแต่ตอนนั้นมันมันอีกไกล เ, เดียวก็ไปแนะนำตัวแล้วก็อ้างชื่อเพื่อนแกก็ดีนะต้อนรับดีแต่บอกว่าไอเรือนะ ที่จะไปบีพีเนี่ยฉลองปีใหม่มันเต็มซะแล้วรู้สึกผิดหวังมากแต่แกก็ดีนะแนะนำว่าไปบ้านผมสนะิบ้านผมอยู่เกาะลันตามีญาติคนหนึ่งลูกพี่ลูกน้องกำลังจะไปเกาะลันตาเป็นครูมีครูสอนที่นั่นไม่ยญาติมีมีญาติของญาติเขากำลังไปเกาะลันตาอ่าล้วก็ไม่มีทางเลือกก็เลยอ่ะติดติดไปเขาด้วยนะไปเกาะลันตา ไปด้วยความรู้สึกเรียกว่าไม่ไม่เห็นแล้วกไ็ไม่รู้สึกว่ามันไม่ค่อนข้างผิดหวังเพราะว่าเกาะลันตา่น้อยเกาะที่เงียบเงียบเงียบจริงๆนะมันไม่มีชายหาดทางนั้นอ่ะตรงบริเวณนั้นไม่มีชายหาดมีแต่บ้านบ้านคนซึ่งเป็นคนจีนครอบครัวเดียวนะมีอาชีพแต่ไมก่อนนี่มีอาชีพะเรียกว่า เขาถ่านนะแล้วแลเป็นสันนะแล้วก็ส่งขายมีเรือจากปีนงังมีเรือจากลุกเสีย ป, ปีนงนะังมารับแล้วก็อต่อไปที่อื่นเป็นข้อเป็นคนจีนครอบครัควรเดียวที่เหลือนี่มุสลิมทั้งนั้นเลยเป็นชาวประมงมันไม่มีอะไรเลยไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นวันๆก็เมื่อทําอะไรนะก็กินข้าวเสร็จ ช่วยงานเขานิดหน่อยแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ชายหาดซึ่งก็มันก็ไม่ได้สวยงามอะไรจริงๆมันเป็นหิ น, เ ป, นเป็นตะปุ่นเป็นหินเป็นหินโสองคร้วก็ค่อนขางเยอะจะลงน้ำก็งงไม่ค่อยได้เท่าไหร่ต้องไปไกลถ้าไม่นั่งอยู่ตรงนั่นก็ไปนั่งอยู่ตรงสะพานปลาที่ที่เขาใช้ขนของขึ้นเรือ สะพานปลาก็เก่าผุพังเพราะไม่ได้ใช้มานานเส้นทางการค้าขายมันเปลี่ยนไปสมัยที่ปีนังก mm hmm. ูเกตก็ยังติดต่อกันทางเรือเนี่ย mm hmm. เขาก็เส้นทางเรือมันก็เรียกว่าคื้นคักนะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เดินทางกันด้วยรถยนขนส่งกันด้วยรถจนรถไฟก็ก็เลยเไม่ต้องทําอะไรก็คุนั่งสะพานปลาก็ดูทะเล มองไข้างหน้าเกาะลันไตใหญ่สมัยนั้นนี่ลันไตใหญ่นี่ก็มีแต่ผู้คนนะคนไม่เที่ยวกันร้านอาหารไม่มีสักร้านเลยเพราะคนก็ไม่ออกไปกินอาหารนอกบ้านแล้วก็ทํากินกันเองตอนนั้นคงยังไม่ประกาศเป็นอุทยานด้วยลันไตใหญ่วันวันเนี่ยนะสามสี่วันก็นั่งดูทะเลแล้วก็เดิน สซอกแซกไปตามเกาะแก่งันไม่รยกว่าอะไรริมหาดเนะ่คนเดียวนะเนราะว่าคนอื่นเขาก็ทำงานเขานะมีเด็กเล็กๆอายุ6กเจ็ดขวบนะมามาเล่นบ้างก็นิดหน่อยมันเงียบสงบนอกจากความรู้สึกว่าเราปรารถนาสิ่งที่มันสวยนะแปลกหรตรตะการตายอย่างเช่นทีพีนะซึ่งมึงตอนนั้นเขาว่า มันเป็นธรรมชาติมากโดยเพราะปรกกาลังนี่งามมากร่มเป็นเป็นสวรรค์นในน้ำเลยนะผีๆตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสเห็นแต่กลับมาอยู่แบบภาพที่จำเจอิทะเลท้องฟ้าแล้วก็เกาะซึ่งเงียบคลื่นก็ไม่ได้รุนแรงอะไรทีเฉลนนิดนิดนะมันรู้สึกว่าเกิดความอ่าจิตมันค่อยสงบลงไปธรรมชาติช่วยกล่อมใจสงบ ไอการที่ไม่มีเสียงเพลงไม่มีความสุขสนานเนี่ยไม่มีอะไรที่มันวิเศษมหัศจรรย์อะไรนี่แต่มันค่นขงธรรมดา <c oughs> จนดูเมันจําเจด้วยเนี่ยไม่ค่อยปล่อย ไ, ได้สงบจิตไม่ค่อยเป็นรู้สึกดื้อดำกับธรรมชาติขึ้นมาและตอนนั้นเองก็ทําให้เราเชื่อเลยว่าเราบวชได้นะเพราะว่าเราสามารถที่จะสัมผัสกับความสงบซึ่งเคยเคยรู้สึกแปลกแยกก ตอนนี้เราสิดว่าเป็นนิจกับความสงบได้ก็คือเพราะมัน่นใจว่าบวชนี่คงไม่ทุกข์ทรมาร์ตวัตกร น, นี้นะ่นี่ยก่อนบวชมันอยู่นิ่งไม่เป็นเรียกว่ากระสับกระสายก็ว่าได้สาวัตถิก็ต้องไปนอนไปนี่อยู่เฉยเฉยไม่ได้แต่ที่พิษในที่ลันตาน้อยนี่เราอยู่นิ่งได้สงบไม่ต้องสูงสิงกับใครอยู่บนสะพานปลาเป็นชั่วโมงช่วโมง มันก็อยู่ได้นะไม่รู้สึกกระสับกระส่ายกังวลก็วายถ้าเปยนแค่นี้เนี่ยก็มั่นใจแล้วนะว่าเราบวชพระได้ตอนนั้นก็ไม่เชื่อจะบวชมาถึงป่านนี้นะก็แค่บวชแค่สามเดือนพี่สายคนหนุ่มก็ยังไม่มั่นใจนะวิตกกังวลก็กลายเป็นว่านะการฉลองส่งท้าปีเก่าในปีนั้นเนี่ยซึ่งนึกว่ามันจะจืดชืด น, นะ มันก็กลายเป็นที่พิเศษขึ้นมาใช่วันที่3เดืนธันวาเนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะถึงเวลา3ทุ่มก็เข้านอนไม่เคยทำยงี้มาก่อนตอนเป็นตอนเป็นคาราวามันต้องต้องทำอะไรพิเศษถ้าเป็นเด็กเล็กถ้าเป็นเด็กอยู่ก็ไปดูหนับโต่รุ่งพอโตขึ้นไนีย่ยมันต้องมีการเลี้ยงฉลองอะไรกันปาร์ตี้เล็กๆก็ยังดีแต่ว่า สามสิบเ็ดธันวานะปีนะ่ะสองข้าไม่มีอะไรเลย <c oughs> เหมือนกับวันอื่นๆเขาเข้านอนสามสี่ทุ่ก็นอนแนะ้ววันรุ่งขึ้นนะก็เดินทางต่อไปภูเก็ตนะก็หมายมันปั้นมือว่าจะได้ไปเจอสิ่งที่สวยงามยังไงภูเก็ตมัก็งสวยกว่าลันตานน้อยอย่างแน่นอนตอนนั้นนายหาญนายยาง น, นี่ก็ยังเรียกว่าเป็น สถานที่ห่างไกลคนยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไรหาร่ในหาดในยางเนี่ยถ้าว่าคนที่รักธรรมชาตินี่ตอนที่ไปนีต้องไปนอนอยู่บนชายหาดเพราะมันไม่มีที่พักสมัยนี้โอ้รีสอร์ทเต็มไปหมดเลยสมัยนั้นนี่นอนอยู่บนชายหาดไม่มีใครมารบกวนเท่าไหร่มีฝรั่งเริ่มมาเที่ยวกันแล้วฝรั่งคนแบแ็แพ็คแต่เราไม่มีที่นอนแล้วก็นอนอยู่บนชายหาด ตกยุงไปตามไล่ยุงยุงก็มากวนบ้างเป็นครั้งคราวพอไปถึงแล้วเพราะว่าอไอ้ที่เราเิื่อมันสวยงาม น, นะธรรมชาติก็สวยงามจริงนะแต่ว่ามันคนละรสชาตแบบิกับกับปันตาลันตาไม่สวยธรรมชาติเขาเห็น ง, งั้นอย่างงั้นอนะ่ะแต่มันประทับใจเพราะว่าได้สัมผัสความสมุก็เลยรู้สึกว่าอ ลันตาเองมันหรือช่วงชีวิตช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมันแม้แต่ธรรมดาปกติมากแต่มันมันพิเศษนะกว่าไปภูเก็ตแลวเชื่อว่าถ้าไปปีๆก็คงจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะธรรมชาติจะสวยงามจริงเนะี่ยเพราะว่าสามปีอะไรกันนั้นเนี่ยนะก็ได้ไปลันตาสนใจแล้วก็ได้ลงไปดำดิง่งดูประการัง มันก็สวยมากนะแต่ว่าก็ต้องแลกกับความกับแผลกับกับหลังเนะี่ยที่ถูกถูกอะถูกแดดเผาเนะดูเพลินนะโหแดดเผาหลังนี่ปวดมากเลยขนาสามปีให้หลังนะอาการหลังก็ยังสวยขนาดนั้นถ้าปีสองหกะซึ่งคนยังไม่ค่อยรู้จักมากคงจะสวยมากแต่ก็รู้สึกเลยนะว่ามันไม่ไม่ ไม่น่าประทับใจนะครับช่วงเวลาสามสี่วันที่ที่ลันตันก็เลยพวกไอ้ความ <c oughs> ธรรมดาความสามัญ น, นี่ล้วมันมันก็มีสเสน่ห์นะฉะนั้นก็ก็ไม่ได้แปลกใจแ้วถ้าเกิดว่าคนจานวนมากพอถึงวันสิ้นปีแล้วเขาก็จะไม่ไปเที่ยวที่ที่มันแปลกแปลกอ่าแ ป, แปลกใหม่ๆ ห, หรือว่า ตื่นตาตื่นใจนะแต่ว่าเลือกที่จะมาวัดนะส่วนพระที่อยู่วัดแล้วนะก็ถึงตอนนั้นก็เข้าใจแล้วอ๋อปีใหม่ก็ให้การก็อยู่วัดเป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นความสุขของเขานะไม่เรียนต้องออกไปหาความตื่นเต้นหรือว่าความแปลกใหม่ความศนสนานที่ไหน ในความสงบสงัดมันก็มีมีสเสน่ห์ของมันนะซึ่งเรียกว่าเป็นความสุขที่ลุ่มลึกกว่ากับความสนุกสนานดูการได้เสร็จก็เลยพบ ว, ว่าเนี่ยความปกติธรรมดานี่นะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะถ้าเราสามารถจะอยู่กับความปกติธรรมดาได้นะก็จะได้พบในสิ่งที่เราไม่เคย ใส่ใจมาก่อนพื้นความธรรมดาเนี่ยนะคนสมัยก่อนเนี่ยนะผู้ใหญ่คือเราก็ให้พร เ, เขาก็ให้พรแบบง่ายๆไม่ได้วิธิสมาหลาเหมือนปัจจุบันให้พรแค่สองสาคำให้รู้เนื้อรู้ตัวนะแต่ก็ให้พรลูกหลานให้รู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้พอให้ร่ำรวยไม่ได้พอให้หวยพรให้ประสบความสำเร็จ นะมีรม่ว่าอย่างที่พูดอย่างที่บางคนอธิษฐานใช่ไหมขอให้มีโชคมหาศามีล่ามีผลพูนตัววีมีใช้ไม่หมดก็ไม่ให้พอรอย่างนั้นให้พรกันง่ายง่ายสั้นๆให้รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งคนส่วนใหญ่คงจะอาจจะไม่พอใจนะกับพรแบบนี้ก็มันธรรมาดาแหละให้รู้เนื้อรู้ตัวนะ แต่ที่มันสําคัญมากเลยนะรู้เนะืรู้ตัวนี่ในความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับผู้คนนะไม่ว่าทุกกายหรือทุกใจเนี่ยโดยเฉพาะทุกใจเนยมันก็พรไม่รู้เนะืรู้ตัวนถูกครอบงำด้วยอารมณ์ต่างๆโดยเพราะเวลามีอะไระที่ไม่ถูกใจมากระทบ <c oughs> ก็เกิดความโกรธนะหงุดหงิดหรือว่าถ้ามีสิ่งถูกใจมากระทบ ก็เกิดความรู้สึกลืมตัวอีกแบบหนึ่งนะก็คือความโรคความโรคเสร็จแล้วก็มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันไม่ได้อย่างที่ปรารถนาถ้า ล, ลองดูดีๆนะถ้าเราใคล้ควรจิตใจใตัวเองดีๆนะ่าจะเพบว่าเนี่ยเป็นเพราะไอ้ความไม่รู้เนืรู้ตัวนี่แหละนะที่มันเชื้อเชิญใความทุกข์ต่างๆเข้ามานะในจิตใจของเราทําให้เกิดภาะวะที่เรียกาอกุศลนะ ทั้งความโกรธนะหรือว่าอากุศลฝ่ายโทสะความโลภหรือว่าความหลงโมหนะแล้วมันก็ตามมาด้วยความทุกขนะ์เป็นพอเกิดโทสะแล้วก็มันก็นําไปสู่การเบียดเบียนกันทะเลาะบอกแวงการแสเดียวกันในโทสะมันก็บีบคั้นใจให้ยําแย่ทําให้ร่างกายเนจะ็บ <c oughs> ป่วยต้องเกิดขึ้นด้วยรังก็ถึงขั้นเจ็บป่วยด้วยหลังให้โลภากันเหมือนกันนะก็นําไปสู่การผิดศีล ในความหลงก็นําไปสู่ปัญหาตามมากๆอุบัติเหตุทําคนอื่นบาดเจ็บล้มตายหรือทำให้ตัวเองตายนั่นที่คนเฒ่าคนแก่เขาวยพรนะว่าให้รู้เนื้อรู้ตัวนะนั่มันเป็นอ่าพรที่ประเสริฐแล้วถ้าเราเข้าถึงภาวะนี้ได้มันก็ยิ่งประเสริฐกาไปใหญ่รู้เนรู้เวลาคนปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเขาก็จะไม่สนใจ ก, ก็ไม่ได้สนใจนะในความรู้เนื้อรู้ตัวนะ อาจจะสนใจอย่างอื่นมากกว่าเช่นชานนะความสงบดิ่งลึกนะหรือว่ามีคนพิเศษทางจิตมองเห็นอ น, นาคตนะอย่างเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าได้ไม่มีหลายคนนะมีความทุกข์นะอย่างมีคนมาปรึกษามาแต่เริ่มมามาม า, ม า, มาอดครวญก็ได้นะผมปฏิบัติมาต้องนานแล้วยังทำไมไม่ สามารถจะอยากเห็นอ น, นาคตเนะเหมือนคนอื่นก็าได้ทำไมยังไม่เห็นนรกสวรรค์เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าไปไปหวังนะความสิ่งพิเศษอัศจรรย์ทางจิตนะเนี่ยเขาไม่สนใจนะความรู้นรู้ตัวแต่ความรู้นตัวสำคัญอยู่เดียวในยามที่เราทุกข์เนี่ยถ้าเรากลับมารู้นรู้ตัวนะมันก็จะหายจากทุกข์ได้เพราะความทุกข์ใจ ที่จริงแ้ทัความทุกข์กายนะเช่นความหนาวความร้อนความเจ็บความป่วยความเมื่อยส่วนใหญ่เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยคนไม่รู้หรอกนะว่ามันมีความทุกข์ใจเนี่ยเกิดขึ้นซ้อนทับในความทุกข์กายด้วยและความทุกข์ใจเนี่นะมันมันสร้างความทุกข์ให้กับเรายิ่งกว่าความปวดความเมื่อยทางกายใช่ไ คนส่วนใหญ่ไม่รู้เวลาถามว่าเนี่ยตอนนี้ทุกไหมหลังจากที่นั่งมานานๆนนหลายชั่วโมงก็ทุกพอถามว่าทุกตรงไหนเขาบอกว่าทุกทุกที่ขามันปวดมันเมื่อยถ้าถามต่อไปว่าไม่เห็นความทุกตรงที่อื่นเลยเหรอหรือไม่มีที่อื่นที่ทุกอีกเลยเหรออาจะพูดแต่ย้เรื่องกายว่าตรงหน้าอมไม่ทุกแรงต่างแต่เขาจะลืมหรือ ไม่สามารถจะบอกได้ว่าไอ้จริงๆมันมีความทุกข์ใจด้วยได้แก่ความหงุดหงิดความขัดเคืองนะซึ่งก็คือโทสะนั่นเองแรกตัวนี้แหละนะที่มันทําให้เราเป็นทุกข์ยิ่งกว่าความปวดทางกายคือก็ในเมื่อยังไม่รู้ว่ามันทุกข์ใจเนี่ยแล้วมันจะแก้ทุกข์ที่ใจได้อย่างไรเพราะไปคิดว่ามันมีแตทุกข์กายไอ้ที่ทุกข์ใจก็คงไม่ไม่รู้เนะรู้ตัวนะใจะมัน หลงเขไปในโทรศัพท์ปัญหาจริงเราไม่ต้องแก้อะไรมาเริ่มต้นจากการทาให้รู้เนื้อรู้ตัวหรือกลับมามีสติเข้าไปตั้งสติให้ได้มีเด็กคนหนึ่งนะน้องไอนะอายุสี่ขวบน้องไอซ์เป็นเด็กฉลาดนะวันหนึ่งโดนแม่ดู <c oughs> ปกติน้องไอซก็จะถ้ามีน้องไอซ์เปาวานนะชื่อเปาวานปกติเปาวานก็จะจะเถียงแม่แต่ว่าวันนี้เปาวานเนะี่ยมาแปลก ปรวันไม่เถียงปรวันประวันก็เดินออกไปแล้วก็ไปนั่งหลบมุมแม่แปลกใจก็ถามว่าประวันทําอะไรประวันตอบว่ากำลังสงบสติอารมณ์ครับประวันตอนนั้นเนี่ยมีความทุกข์ใจนะแล้วความทูกข์ใจเกิดจากความโกรธโกติของเราเวลาโกรธเนี่ยนะมันก็จะระบายนะความโกรธใส่คนอื่นหรือไปโทษว่าคนอื่นทําให้ตัวเองทุกข์หรือไม่ก็ ไปหลงเชื่อความโกรธความโกรธมาสั่งให้เถียงสั่งให้ดา่าเราทํตาๆแต่ว่าแล้วก็คิดว่าไอการที่ไปเถียงกันไปต่อว่าคนอื่นไม่ทําให้ความทุกข์ในใจสงบลงคือไปแก้ไปแก้ทุกข์ในใจด้วยการไปจัดการกับสิ่งภายนอกแต่ไม่ว่ใครสอนประวานนะหรือว่าประวานต้องสังเกตาานะพอเขาเกิดความโกรธขึ้นมา ไม่พอใจขึ้นมาเขาก็ไม่เขียง น, นะไม่ตอบโต้หรือว่าไม่จัดการนะกับแมนะ่ที่มาว่าเขาแล้วเขากลับไปลบมุมแล้วก็สงบสติอารมณ์เพราะเขารู้ว่าถ้าถ้ามีสติเนะี่ยและใจสงบถ้ามีสติใจก็จะสงบนะความกลัวก็จะหายไปเมื่อความกลัวหายไปความทุกข์ก็หายไปด้วย พูดง่ายคืวรู้จักแก้ทุกข์นะด้วยการจัดการที่ใจของตัวซึ่งจะทํานี้ได้ก็ต้องเห็นว่าไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจแล้วก็เห็นต่อไปว่าสาเหตุแห่งความทุกข์ที่ใจมัน ก, ก็อยู่ข้างในนี่แหละถ้าพูด อ, อีกอย่างนี้คือว่าเป็นพ่อไม่รู้ตัวเป็นพ่อไม่มีสติทุกเพราะไม่มีสติะงั้นทํายังไงก็กลับมาตั้งสติปวาระเฉพาสำหรับสติอารมณ์ พอสติมานะอารมณ์ก็สงบความทุกข์ก็หายไปอันนี้เด็กเขาก็เห็นนะ <c oughs> เขาเห็นว่ามันทุกข์ที่ใจแล้วก็ต้องแก้ที่ใจพี่ดิ้งไม่ต้งทุกกายนะบางทีเด็กเขาก็เห็นนะอย่น้องไอ้เนี่ยสามขวบนะวิ่งชนกำลังสนุกสนุกอยู่เลยวิ่งชนประตูกระจก <c oughs> ไม่เห็นเนะ <c oughs> นื่องาประตูมันเปิดอยู่ชนกระจกเต็มเปล่าเลยตึงร้อง ในในครัวเดินเสียงร้องน้องไอรีบวิ่งมาตั้งใจจะกอดกอด น, น้องไอปลอบใจน้องไอปอบากาน้องไอกลับเอบอกแม่ว่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวน้องไอจะนั่งสมาธิเดี๋ยวก็หายแล้วเขาคงรู้นะว่าไอตอนที่ปวดเนี่ยปวดปวดกายนนะถ้าใจสงบนี่นะอความปวดก็จะทุ่เรา เด็กอาจจะไม่รู้ถึงขั้นว่าไอ้ตอนที่ปวดกายนี่มันปวดใจด้วยนะคือมันมีโทสะมันมีการผักใสนะความปวดแต่ว่าเขาก็ยังรู้ว่าถ้าใจสงบแล้วนี่เดี๋ยวกายก็จะค่อยๆบรรเทาลงไปความปวดกายก็จะบรรเทาลงไปอันนี้จะเรียกว่าไอการนั่งสมาธิของเด็กเนี่ยของน้องไอ้มันเรียกความรู้สึกตัวกลับมาเรียกสติกลับมา พอสติกับมาแล้วเนี่ยความปวดของวัตถุเราลงเรียนน้อยๆเนี่ยความปวดใจมันก็ไม่มีเพราะมันเป็นปฏิปักษ์กันนะพอตั้งสติหรือมีสติหรือมีความสึกตัวความโทสะมันก็หายไปพอโทสะไปเนี่ยความทุกข์ใจไม่มีเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าความทุกข์โดยรวมมันก็ลดน้อยถอยลงอาจจะหารสองหรือหารสา ม, าสามเลยได้ซ้ำก้อนใหญ่คือเลยแค่หนึ่งในสาม พอใจเนี่ยมันสงบล้ก็เลยจะทุกกายปกติคนเราเวลาทุกข์เนี่ยนะไอ้ทุกข์ทุกขกายแค่หนึ่งในสนะทุกข์ใจเนี่ยสในสามเดี 2, 3, ยวๆถ้าจัดการกับ2ใน3านั้นได้เนี่ยความทุกข์ก็จะลดทั่วไปหรือแค่หนึ่งในสก็คือความปวดกายหรือทุกขเวทนาทางกายที่มันบีบคั้นอยู่ซึ่งนั้นก็ต้องแก้อาจจะด้วย ก, การเปลี่ยนอิริยาบทนะหรือว่าหาผ้ามาห่มมาคลุม แม้แต่ว่ารู้นรู้ตัวนี่จริงสาคัญมากทีเดียวนะมันช่วยทำให้ให้ความความทุกข์แล้วก็อกุศล น, นะในใจเนี่ยมันหายไปหรือเข้ามาคร่องงนจิตใจไม่ได้อย่างที่พุทจาตรัสว่านเนี่ยบุคคลเมื่อมีความสุขตัวอกุศลทําใดนะที่เกิดก็หายไป กุศลธรรมใดที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นบุคคลเมื่อมีความสุขตัวนะความสุขตัวนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เพื่อความตั้งมันไม่เสื่อมสูญแม่นประธานของพระสัตธรรมพระสัตธรมรมนี่ในที่นี้ก็หมายถึงกุศลธรรมนะในจิตใจของเราหน้าที่คนทั่นแก่เขาให้ความแบบเรียกว่าธรรมดาธรรมดามากเลยนะ ให้รู้นื้อรู้ตัวนะโอ้เนี่มันพิเศษนะมันเกี่ยวกับารให้พรว่าโชคดีเยอะเลยแล้วก็มันก็เรียกว่าทัดเทียมนะกับคําให้พรของคนญี่ปุ่นเนะําบัตเต้ให้เพียนให้สู้ๆนะแต่ะะว่าปการให้บอกให้รู้เนรู้ตัวนี่มันมันเประณี t น, น, นะมันละเอียดกว่าคําว่าสู้ๆนะหรือว่าให้มีความขยันหยาดยอมแพ้ไอ้ตัวนั้นคือวิริยะ ทำความเพียรมากๆบางทีมันก็ลืมเนื้อุืนตัวนะเพราะาคิดจะเอาชนะเอาชนะกษัตริย์ทำแล้วเครียดก็มีมีความเพียรมากๆนีบางทีเครียด น, นะต้องเอาสมาธิมาเติมมาท่วงดุนนะวิริยะกับสมาธิจะคู่กันใครทําวิริยะมากๆเนี่ยหรือความขยันมากๆเนี่ยต้องมีต้องมีสมาธิมาคอยกํากับทวงดุนหรือมามาเสริมเพรมันมันฟุ้ง <c oughs> มันเครียด แต่ถ้าสมาธิม่วงๆนี่ไม่ได้นะไม่ดีต้องมีวิริยะตามเข้ามาเพราะว่าสมาธิม่วงๆกลายเป็นขี้เกียจไปมันก็สันโดสน่ะสันโดสนี่ครูเจ้าจะไม่ได้สอนให้สันโดสแค่์ลำพังนะหรือเเพียวๆนะต้องมีวิริยะเข้า ม, มาเพราะสันโดสนี่ถ้าทําไม่ดีเนี่ยไม่มีสติมันจะกลายเป็นขี้เกียจไปดั้นต้องเอาวิริยะเข้ามากํากับ มันจะได้ไม่กลายเป็นพวกขี้เกียจ น, นั่งเล่นนอนเล่นพ อ, พอเรียกว่าพอกินพอใช้แล้วก็เลยไม่ทําอะไรนั่งเล่นนอนเล่นนีนไม่ถูกต้องทํำนะแต่ว่าอาจจะทําอย่างอื่นแทนเช่นนะพัฒนาตนให้เจริญก้าวหน้าไปทําสมาธิภาวนาหรือแม้ก็ไปทําประโยชน์ส่วนรวมในวิริยะเนี่ยนะมันหรือว่ากรรมบเตเนี่อ่าอันนี้ถ้ามีก็ดีนะแต่ว่าต้อง ให้มีความสึกตัวเข้ามากํากับด้วยเหมือนกันไม่งั้นวิริยะนั้นก็จะนําไปสู่ความเครียดความทุกข์กลุ่มอกกุ่มใจไม่สําเร็จหรือมิชนเหมันก็จะเป็นวิริยะในทางทางลบทางร้ายทางที่เป็นมิจฉาอาชีวะนั่นไม่ว่าคนเรานี่ไม่ว่าจะปรารถนาความสําเร็จทางลบหรือทางธรรมเนี่ยต้องอาศัยความสึกตัวมากเนี่ยเป็นเป็นพื้นเลยนะเป็นพื้นฐาน จะทำกรรมาฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะเรียนเขาวิปัสสนานีก็เป็สสนคำทีสส่คนพูดกันมากนะแล้วก็ส่วนเป็นคำที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะแต่ถ้าไม่มีความสึกตัวรองรักนะหรือความรู้เนื้อรู้ตัวนะมันก็พาคนเรข้าพงได้เหมือนกันนะ ที่จริงแม้กระทั่งการทําความดีขั้พื้นฐานคือการให้ทานการรักษาศีลเนี่ยก็ต้องมีความรู้เนรู้ตัวไม่รู้เนรู้ตัวนี่การให้ทานหรือการรักษาศีลหรือการทําบุญมันก็นําไปสู่ความทุกข์ได้เพราะว่าเวลาให้ทานเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่ไม่รู้เท่าทันตัวไม่รู้เนรู้ตัวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการทําเพื่อพนองอัตตาหรือว่าเสริมมันนะหรือว่า ผลเปอกิเลตป่ายตันทาก็แดบก็คือให้ทานเพื่อจะได้รวยจะได้ถูกหวยหรือให้ทานเพื่อจะได้คนยอมรับนะคนจะได้เห็นว่าเราเป็นคนดีนะเป็นการสร้างภาพลักนะการให้ทานก็เป็นการสร้างภาพลักอย่างหนึง่งซึ่งทํากันไปทั่วนะทั้งบุคคลแล้วก็บริษัทองค์กรนะอันนี้เราไม่มีความรู้ ร, รู้ตัว มันก็เลยการเป็นงานสล้างกิเลสไปก็มีประโยชน์นะแต่ว่ามันยังไม่ใช่การให้ทานที่ถูกต้องสีนก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีความรู้นรู้ตัว ม, มันก็เป็นการปนเปือกิเลสฝ่ายตัณหาหรือ ม, มานะหรือไปเพิ่มโทสะนะเพราะว่าไปดูถูกไปเหยียดหยามคนที่เขาถือสีน้อยกว่ายกตนขมท่าน น, ะนี่แหละว่ามันลืมตัวไปซะแล้ว เราะฉะนั้นเนี่ยนะพยายามนะสร้างความสุขตัวไว้พยายามรู้นึกตัวอยู่บ่อยๆไม่ว่าอะไรมากระทบสิ่งที่ไม่ถูกใจมากระทบก็อย่าเปิดช่องให้โทรศัพมันเกิดขึ้นสิ่งที่ถูกใจหรือว่าอรรถอร่อยมากระทบก็อย่าไปเกิดโลภะขึ้นมาเพราะพวกนี้มันก็นํามาเป็นที่มาของความทุกข์ทั้งทุกส่วนตัวแล้วก็ทุกที่เกิดกับผูอ้อื่นด้วย อ่ะชาไม่รูการที่นี้นะกับ